อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมาราบรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่24ธันวาคม2554ค่ะวันนี้เป็นวันแรม14ค่ําเดือน1หรือเดือนอ้ายนะค ะ, ะรายการธรรมาราบรุณในเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็จะเป็น เรื่องของการสากชาติก็คือสนทนาธรรมโดยที่ฉันจะได้กราบเรียนถามแล้วก็พูดคุยกับพระอาจารย์ไพบุลอภิปุโนโซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ของเรานะคะแล้วก็เป็นองค์วิทยากรประจำรายการธรรมรับปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยค่ะพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนนั้นท่านเป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่โทภโซหรือท่านพระครูสิทธิปภกรนะคะ ซึ่งหลวงพ่อดรสะอาดท่านก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดป่าดอนหายโศกตมบุดอนหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะส่วนพระอาจารย์ภับุญอภิพุโนของเรานั้นท่านก็เป็นพระอาจารย์เป็นผู้อํานวยการหลักสูตรที่จะฝึกปฏิบัติธรรมะอะไรต่างๆนะคะซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการก็คงจะทราบกันดีละค่ะว่าที่วัดป่าดอนไหโศกนั้นก็จะมีการปฏิบัติธรรม เป็นประจำทุกเดือนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการทาที่ให้พุทธศาสนิกชนผู้สนใจทั่วประเทศค่ะสามารถที่จะไปร่วมปฏิบัติธรรมกับทางวัดป่าดอนไห่โศกได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้อย่างที่ได้เรียนแล้วนะคะเป็นเช้าวันเสาร์ที่24ธันวาคม2554ค่ะวันนี้ถ้าหากว่าหลายๆท่านที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนคงจะทราบกันแล้วค่ะว่าเข้าช่วงของวัน เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะแล้วคืนวันนี้คือคืนวันที่24นั้นเนี่ยถ้าเป็นคริสต์ศาสนากชนโดยทั่วไปในตอนเที่ยงคืนของคืนวันนี้ที่เรียกกันว่าเป็นคืน Christmas Eve นั้นบรรดาคริสต์ศาสนากชนก็จะเดินทางไปที่โบสถ์ที่อยู่ใกล้บ้านของตัวเองนะคะแล้วก็มีการทำพิธีอะไรต่างๆทางคริสตศาสนาซึ่งอันนั้นก็ถือเป็นเหมือนวันขึ้นปีใหม่แล้วก็เป็นวันที่พระเจ้าจะประทานพร อ, อะไรต่างๆให้ บรรดาพี่น้องคริสตศาสนิกชนนะค ะ, ะเดชฉันมาพบกับท่านผู้ฟังในวันนี้ซึ่งเป็นวันคริสต์มาสแล้วก็คืนนี้จะเป็นคืนคริสต์มาสอีฟดังนั้นก็อยากจะข อ, อนําท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการและก็สนทนาพูดคุยกับพระอาจารย์ของเรานะคะคือพระอาจารย์ไพล์บุญอภิปุนโนเกี่ยวกับเรื่องของทางาศาสนาคริสต์เขากับทางาศาสนาพุทธของเรานะคะจะมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างไรนั้นก็ขอเชิญท่านผู้ฟังนะคะตามมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูบุญอภิปุนโนพร้อมกันเลยนะคะ กราบนมัส ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเรพานสาธุเจ้าค่ะวันนี้อย่างที่ยมเกลิ่นแล้วนะเจ้าค่ะว่าเป็นวันคืนคริสต์มาสอีฟดังนั้นก็อยากจะขอนำอขอความเมตตาพระอาจารย์ไัยบุนอภิปุนโนเจ้าค่ะที่จะได้สนทนาในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับทางความเชื่อหรือว่าความศรัทธาของบรรดาพี่น้องอคริสต์ศาสนิกชนทั้งหลายรวมทางพุทธศาสนิกชนของเราด้วย อาจารย์นนเชื่อมั่นแล้วก็ทราบว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดก็ตามคงจะทราบกันดีว่าทุกศาสนานั้นพระศาสดาของแต่ละศาสนาก็มุ่งที่จะให้ผู้ที่เป็นสาวกนะเจ้าคะปฏิบัติตนในทางที่ดีก็เรียกว่าเป็นคนดีกันนั่นแหละ mm hmm. และทางคริสต์ศาสนานั้นเนี่ยเท่าที่โยมสัมผัสนะเจ้าค ะ, ะก็คือจะเป็นการเน้นเกี่ยวกับเรื่องของความรักเจ้าค่ะรักในเพื่อนมนุษย์ พระปเจ้าก็จะรักในสาวกของพระองค์ท่านเพราะว่าจะเห็นภาพที่พระองค์ท่านนั้นโดนเสียสละยอมตรึงบนกางเขนเพื่อที่จ ะ, ะสละชีพของพระองค์ท่านเพื่อบรรดาพุทธศาสนาคริสตศาสนิกชนทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นนะเจ้าคะทีนี้ในประเด็นของศาสนาคริสต์อย่างที่โยมได้กล่าวมานี้เนี่ยถ้าหากว่าพระจันทร์ไปบุญอภิพุญโญจะนํา ม, มาเปรียบเทียบกับทางพุทธศาสนาของเราในการที่หลักธรรมคาสอนต่างๆนั้นเนี่ย พระอาจารย์พอจะเล่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังสักนิดไหมเจ้าคะว่ามีความเหมือนแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะ่ะนิมนต์เจ้าค่ะเอ่ออันดับแรกก็คือว่าต้องขอพูดประสบการณ์ของอาตมาสักน็กน้อยก่อคนค่คือคนที่อยู่เมืองนอกหลายๆลาคนเนี่ยก็ควจะมีประสบการณ์อย่างนี้เหมือนกันเวลาอยู่เมืองนอกอากาศหนาวเนี่ยอ่าคุณไม่รู้จะไปหลบที่ไหนคุณก็ไปเข้าโบสถ์โบสถ์ที่หมายถึงโบสถ์คริสต์นะข้างในก็จะอุ่นดีเราก็จะรู้สึกดี ในเวลาเข้าไปในบวกก็จะรู้สึกถึงกระแสความรักความเมตตาที่มันอยู่ในอาคารหลังนี้อะนะซึ่งห ล, งหลายๆท่านก็คงจะรู้สึกอยู่เหมือนกันเนะคอคงมีประสบการณ์เหล่านี้อยู่แล้วในเรื่องของอคุณธรรมคือคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอาตมาก็จะต้องบอกให้ทราบอันดับแรกก่อนนะคือคาสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่ได้แบ่งพักแบ่งพวกนะเราจะไม่มองว่านี่พวกฉันนี่พวกเธอและนี่ก็พวกแก นะฉันทําอย่างนี้แกเป็นอย่างนี้อ๋อเราเหมือนกันอยู่อันนี้ไม่ใช่คําสอานพะระพุทธเจ้าแตพระพุทธเจ้าถ้าเราคิดว่าเราดีกว่าเขานี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนคือสอนไม่ให้เป็นอย่างนี้ถ้าเราคิดว่าเราเสมอเขาฉันกับเธอเหมือนกันอันนี้พระพุทธเจ้าบอกอย่าเป็นถ้าเราคิดว่าเราแยก่กว่าเขาเราไม่ดีอย่างนั้นเธอดีอย่างนี้อันนี้เราก็อย่าเป็นนะในในทํา น, นองกลับกันเหมือนกันคือทั้งหมด9อย่าง9คู่เนี่ยเพราะงี้คาสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อการแบ่งแยก หมวดหมู่ครั้นถ้าเราบอกว่าเออนี่ต้องพวกคริสตนะนี่พวกพุทธนี่พวกอิสลามแล้วก็พวกนับถือนี่นี่บาบาแล้วก็นูน่นอย่างนู่นเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไม่ได้สอนให้แบ่งแยกกันแต่ถ้าใครมีผัสสะเนี่ยจะมีเวทนานะัคือหมายความว่าถ้าตาคุณเห็นรูปหูคุณได้ยินเสียงจิตคุณต้องรู้สึกแน่นอนไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยเฉยแต่ถ้าใครเป็นอย่างนี้เรามาแก้ตรงนี้กันดีกว่า เพราะฉะนั้นคําสอนของจริงๆคําสอนพระเจ้าเนี่ยนะไม่ใช่ศาสนาที่จะแบ่งเป็นแบ่งเป็นพวกนั้นแล้วก็พวกโน้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นไอ้อย่างที่เดี๋ยวนี้เอาแค่ศาสนาพูดคุณตืันใจเลยเอาแค่เอาแค่ทีค่คนที่เรียกตัวเองว่าคนพูดนะนี่ที่เบตเขาก็วัชิรยานเขาบอกเขาเป็นวัชิรยานเมืองจีนเขาบอกเขาเป็นมหายานมีพมา่าไทยแล้วก็รีลังกาอินโดนีเซียบางส่วนเขาบอกก็เป็นเดราวาต เมืองไทยเองเมืองไทยเองนะเถระ ว, วายยังบอกนี่ชันนิธรรมยุทธ์แล้วเธอกอ็มหานิกายเหรออะไรอย่างเงี้ยมันแบ่งกันไปหมดเลยซึ่งมันไม่ใช่แล้วลพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้แบ่งกันพระพุทธเจ้าให้สามัคคีกันคนทั้งโลกเนี่ยควรจะต้องสามัคคีกันเนี่ยคุณแบ่งเป็นประเทศก็เพราะว่ามีการบริหารจัดการถูกไหมอันนี้มันเป็นเรื่องของคุณแบ่งเป็นจังหวัดเพื่อจะจัดสรรงบประมาณบริหารจัดการเข้าใจปะ ทีนี้มันในประเทศเองในจังหวัดเองหรือเอาแค่ในครอบครัวครอบครัวฉันครอบครัวเธอน้ำแบ่งแยกตรงนี้เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีการแบ่งแยกอันนี้เราไม่ควรทําไม่ควรแบ่งแยกเพราะฉะนั้นในคําสอนของพระเจ้าอย่างประสบการณ์อัตมาเองเนี่ยเราไปศึกษาคําสอนของ j e s u s c ริสต์คำสอนของพระเจ้าแล้วเราก็พบว่าเป็นพระเยซูพระเยซูคริสต์แล้วก็คำสั่งของพระเจ้าเนี่ย ก็มีหลายครั้งอย่างในวันสุกดิบวันคริสต์มาสอีฟอย่างเงี้ยวิเทธรรมาก็ไปร้องเพลงสมัยเป็นคาราว่าแล่วนะนไปร้องเพลงตามโบสถ์ฮัุมกว่าเงี้ยก็ไปละไปตามบ้านคนไปกิ้งกิ้งกันกองอย่างเงี้ยน ะ, ะก็เคยไปกับเขา <c oughs> ก็เคยมีประสบการณ์ตรงนี้อยู่ก็พบว่ามันก็เป็นการทําความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือแม้ว่าตัวของอพระเยซูคริสต์เองนะก็เป็นผู้ที่มีความรักความเมตตา สมณะสมุทธเจ้านะสมณโคโดมเนี่ยบอกว่าถ้าใครนะเอาเลื่อยนะเลื่อยแบบที่มีด้ามจับสองข้างที่เขาไปตัดต้ดตนไม้คุณเตือนใ จ, จเอามันเลื่อยตัวคือคือโจรใช่ไหมเขาจับเลื่อยสองข้างข้างละคนแล้วก็มันเลื่อยเอวเราให้ขาดอันนี้ไม่ใช่แสดงมาอย่าโกรนนะนี่ทําจริงจริงเลื่อยขาดไปแล้วเนี่ยถ้าเรายังมีจิตแปรปรวนน ะ, ละกล่าวคําหยาบด่าเขามีจิตพยาบาทเครียดแค้น อันนี้แสดงว่าเธอไม่ได้ทำตามคําสอนของเราไม่ได้ทำตามคําสอนของเราสมรัโคโดมแต่ถ้าเธอมีจิตไม่แปรปรนไม่ว่าไม่กล่าววาจาเป็นบาปมีจิตเมตตาเอนดูเกื้อกูลแผ่ไปยังบุคคลที่กำลังมาสับเราเลื่อยเราอยู่เนี่ยแสดงว่าเธอทำตามคําสอนของเรานั่นดีมากเลยเะนะซึ่งซึ่งเ c สัสคริสพระเยซูคริสเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นเช่นนั้นนนะถูกลงโทษต่างๆนานาเขียนด้วยเชือกหนัง นะหดด้วยแส้แล้วก็ถูกลงโทษอย่างหนักที่สุดในการลงโทษสมัยนั้นนั่นคือการตรึงกลางเขนา <จ insp. S 1> ภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า crucify นะครัหมายถึงการลงโทษที่หนักที่สุดในสมัยนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบในสมัยพุทธกาลนะเขาจะมีการลงโทษแบบนี้อยู่เขรียกว่าหม้อเคียวน้าส้มนะแล้วก็คือต่อยหัวสมองให้แยกออกแล้วก็เอาคีมคีบก้อนเหล็กที่ลุกแดงเนี่ยใส่ลงไปในหัวให้สมองมันเดือดพรุ่งขึ้นมา เหมือนน้ำส้มเดือดล้อนมอนี่คือตายไปเลยเออน ะ, ะมีวิธีที่สองคือวิธีขอดสังคือตัดหนังคว่นไปที่รอบจรหูทั้งสองข้างและหลุมคลอแล้วก็รวบผมขึ้นทั้งหมดกระหมดไว้ใช้ไม้สอดหมุนยกขึ้นให้หนังหลุดติดขึ้นมาร้อมกับผมแล้วก็ใช้สายหยาบขัดให้กรอกศีสังล้างให้ขาวดังสีสังอันนี้วิธีขอดสังนี่หนักมากเนี่ยโอ้โหคนลุกเลฟังดูบาดเียวมากเจ้าค่ะออวิธีที่สามคือปากราหูนะคือว่าใช้ขอเหล็กเนี่ยง้างปากให้ออก ให้อ้าออกแล้วก็จุดไฟในปากหรือว่าเอาสิวตอกเจาะเข้าไปตั้งแต่จอหูจนถึงปากเนี่ยแล้วก็ให้เลือดมันไหลเอ่ยออกมาจนเต็มปากอ้าจนเต็มปากดูปากอ้าด่างปากราหนะูหรือวิธีมาลายไฟนะคือใช้ผ้าชุบน้ํามันจนทั่วตัวแล้วก็จุดไฟลุกขึ้นเลยหรือ ว, วิธีครบมือคือใช้ผ้าชุบน้ํานะ้ําพันจนทั่วมือทั้งสองข้างแล้วก็จุดไฟแล้วก็วิธีริ้วสายนะคือเชือก หนังออกเป็นริ้วๆตั้งแต่ใต้คอจนถึงข้อเท้าตอน1จนถึงข้อเท้าแล้วก็เอาเชือกผูกจุดแกร้ให้นักโทษเนี่ยเดินเหยียบริ้วหนังของตัวเองล้มลุกคลุกคลานไปจนกว่าจะตายแล้วก็วิธีนุ่งเปลือกไม้นะคือเชือกหนังเป็นริ้วๆอย่างวิธีริ้วสายนั่นแหละแต่ว่าทําเป็น2ตอนตั้งแต่ตอนบนตอนหนึ่งแล้วก็ตอนล่างตอนหนึ่งให้หนังตอนบนเนี่ยตกมาปิดตัวตอนล่างค ล, ลุมกายตอนล่างดังคนนุ่งเปลือกไม้ ล้ ว, วิธีถัดหมายวิธีที่8ก็วิธียืนกว้างนะใช้หลักเหล็กนะรัดศอกสองข้างเข่าสองข้างนะตรึงไม้กับหลักเหล็กสี่หลักบนพื้นดินแล้วก็เอาไฟเกาะล้อมจนกว่าจะตายวิธีที่9คือวิธีเกี่ยวเหยือเบ็ดนะคือใช้เบ็ดที่มีเงี่ยงสองข้างเนี่ยเกี่ยวตัวดึงหนังเนื้อเอ็นออกมาจนหมดนะซึ่งพระเยซูคริสเนี่ยถูกลงโทษด้วยวิธีนี้เกี่ยวเหยือ เ, เบ็ดใช้ใช้ <Okay. S 1> ใชใชแสเนี่ยนะเกี่ยวหนังออกมา แต่ไม่ถึงกับทำให้ตายนะเป็นการลงโทษที่เจ็บมากวิธีที่10ก็คือวิธีเหรียนกระสับเขาใช้มีดเนี่ยคมเฉือนเนื้อออกเป็นแว่นๆขนาดเท่าเหรียญเงินจนกว่าจะตายวิธีที่11คือวิธีแปลงแสบคือฟันสับให้ยับเสียทั่วกายแล้วก็ใช้แปลงชุบน้ำแสบเนี่ยมีน้ำเกลือเป็นต้นเนี่ยถูครูดสีไปมาให้หนังเนื้อเอ็นหลุดออกมาจนหมดเหลือแต่กระดูกโอ้โหนึกแค่นก็เสียวนะ เจ้าค่ะทำไมช่างคิดเหลือเกินเจ้าค่ะวิธีทรมานอันนี้เป็นวิธีในสมยัยพุทธกาลเจ้าค่ ะ, คะวิธีถัดมาคือวิธีการเวียนให้นอนตะแคงแล้วก็เอาเหลาเหล็กเนี่ยตอกเข้าทางช่องหูแล้วก็ให้ลงไปตรึงติดแน่นอยู่กับแผ่นดินแล้วก็จับยกเท้าทั้งสองขึ้นเดินเวียนเดินหมุนไปมามวิธีที่13คือวิธีต่างฟางนะคือใช้ลูกหินบดทับทั่วตัวบดให้กระดูกแตกละเอียดนะแต่ไม่ให้หนังขาด แล้วก็จับผมเนี่ยรว่ขึ้นขยาวขยาเยาวให้เนื้อกระดูกอะไรพวกนี้รวมเข้าเป็นกองแล้วก็เอาผมเนี่ยมัดพันตะล่อมไว้เหมือนดังตที่ทำสำหรับเช็ดเท้าอะน ะ, ะ, ะวิธีถัดมาคือวิธีให้สุนัขถงึงคือขังฟูงสุนัขให้อดหอิวโซหลายๆวันแล้วก็ปล่อยให้ออกมารุมถึงพักเดียวเหลือแต่กระดูกอันนี้เป็นวิธีการลงโทษบางอย่างเท่านั้นเองที่พูดถึงจากทั้งหมดหลายอย่าง ที่พิสดาร น, นะนะในสมัยพุทธกาลซึ่งพระเยซูเนี่ยถูกลงโทษด้วยบาง เ, าเขาเรียกว่าวิธีเกี่ยวเยือเบ็ดนะแล้วก็วิธีที่ไม่ได้อยู่ในนี้คือวิธีตึงกางเขนเซึ่งเป็นการลงโทษของชาวโรมันในสมัยโน้นที่เขามาปกครองชนชาติยิวซึ่งอยู่ในอยู่ในบริเวณนั้น น, นนะทีนี้ที่พระพุทธเจ้าหมายถึงสมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยพูดพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยวิธีการพวกนี้ขึ้นมาเนี่ย เพื่อที่จะเป็นเทวทูตคุณเตจะนึกถึงเทวทูตไหมเทวทูตคือทูตที่ส่งมาเพื่อเตือนสติเรานะเตือนสติว่าเฮ้ยถ้าคนทําชั่วนะคุณจะต้องถูกลงโทษ ด, ด้วยวิธีเหล่านี้นะถ้าคุณทําชั่วน ะ, ะถ้าคุณทําสิ่งที่เป็นอกุศลเช่นกายวาจาใจเป็นทุจริตคุณจะต้องถูกลงโทษอย่างนี้พวกที่ถูกลงโทษอย่างนี้ก็คือพวกที่ไปลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพวกเนี้ยแล้วถ้าคุณเห็นอย่างนี้นะ คุณควรจะต้องเลิกกระทําสิ่งที่ไม่ดีแล้วไปทําสิ่งดีอย่างนี้คคซึ่งเป็นเทวทูตหนึ่งในเทวทูตทั้งห้านะการที่เห็นคนถูกลงโทษเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นคนถูกลงโทษเราก็ควรจะตั้งใจในการทําความดีซึ่งในข้อนี้พระเยซูคริสต์ในสมัยนั้นก็ยอมให้ตัวเองถูกลงโทษนะเพื่อที่พวกโรมันไม่ไปลงโทษพวกชาวอยู่คนอื่นในหมู่บ้านจุ๊ค่ะ เหมือนกับว่าท่านพระองค์ท่านช่วยไถ่บาปให้กับมนุษย์ทั้งหลายให้รอดคนในกนารทาชั่วเป็ น, เ ป, นเป็นความที่เรียกว่าเป็นเทวทูตอะ่ะพระพุทธเจ้าพูดเหมือนกันเรื่องเทวทูตว่าถ้าใครถูกลงโทษอย่างนี้นะแล้วเธอยิ่งควรจะต้องเตือนสติตัวเองนะว่าเธออย่าทําชั่วแต่ความชั่วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเอาให้เขาได้ไง ค, คือหมายความว่าคนที่ถูกลงโทษไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะไปรับความชั่วแทนคนอื่นได้นะ แต่เธอเองเนี่ยควรจะต้องเห็นเป็นตัวอย่างว่าเธอเนี่ยไม่ควรทําชั่วอย่างอาตมาเห็นคนนี้ถูกลงโทษอยู่ด้วยประหารชีวิตคุณติดคุก20ปิปีคดีนี้ติดคุกยี่สิบปีนี้ติดคุกสิหปีโอ้ยฉันไม่ทําหรอกวิธีการ น, นั้นฉันจะไม่ไปทําสิ่งที่จะทําให้ฉันไปติดคุกอย่างนั้นแน่นี่มันจะเป็นเนตืนสติตัวเราเอ ง, อ, งอันนี้เป็นเทวทูตของเรานะเราก็ในเรื่องของคุณธรรมนะความรักความเมตตาตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรยกย่องนะเป็นสิ่งที่ควรบูชา คนแบบนี้นะให้ข้าวให้น้ํากับบุคคลแบบนี้นิดเดียวเนี่ยก็เป็นทางมาแห่งบุญเป็นอันมากเป็นทางมาแห่งบุญนะพรุทธเจ้าได้บอกเอาไว้ <Okay. S 1> ทีนี้คุณธรรมที่เราควรจะต้องบูชานึกถึงเนี่ยคือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมในเรื่องของสมาธิคือเรื่องของจิตเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้มีกําลังจิตนะคนที่มีกําลังจิตเนี่ยคือคนที่เวลาถูกได้รับเวทนาที่ไม่น่าพอใจ ถูกตีถูกดา่าถูกใส่ร้ายในเรื่องที่ไม่จริงยังอดทนอยู่ได้สงบสงี่ยมอยู่ได้ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเคยพูดถึงคนที่สงบสงี่ยมอยู่อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เต็มที่เยือกเย็นอยู่เต็มที่ได้เนี่ยเพียงชั่วเวลาที่ถ้อยคําอันไม่น่าพอใจมากระทบเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ชื่อว่าไม่สงบส ง, งี่มจริงยังไม่อ่อนน้อมถ่อมตนจริงยังเยือกเย็นอยู่ได้คือว่ายังไม่เยือกเย็นจริงแต่ถ้าเมื่ อ, อไหร่ นะถ้อยคําอันไม่น่าพอใจมากระทบอยู่นะแล้วก็ผัสสะอันไม่น่าพอใจมากระทบอยู่แล้วยังสงบสงี่ยมอยู่ได้นะยังอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ได้นะยังเงยือกเย็นอยู่ได้นี่เจ๋งมากพระเจ้าพูดถึงนี้นเพราะงั <Okay. S 1> ะ้นเจสัสคริสเนี่ยเป็นบุคคลที่ควรยกย่องในเรื่องนี้บางคนเนี่ยอย่างลูกน้องของคุณต้นใจบางคนแหมเรียบร้อยอพูดถึงคนอื่นดีกว่ า, น, า, าน้อ <c oughs> <c oughs> อย่างบางคนเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยคนอื่นๆบางคน นะลูกน้องบางคนเอ า, เอาแหมดีดีเอาใจนายจริงๆเลยพอมีสิ่งที่ทํางานหนักหน่อยเลิกงานหนักหน่อยเริ่มบน่นละเริ่มทําไม่ได้ละเริ่มมีข้ออ้างข้อแก้ตัวละอันนี้แสดงว่าเขาไม่อดทนจริ ง, รงใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ที่ไม่พอมีวาจาที่วาจาที่ไม่น่าพอใจมากระทบหูแล้วคุณยังดีอยู่ได้แหมยกนิ้วให้ใยังเป็นผู้ว่าง่ายอยู่บางคนว่าง่ายเนี่ยเพราะาเหตุแห่งปัจจัยสี่ ฉันให้เงินเธอใช่ไหมเธอก็พูดได้ง่ายสั่งได้แต่พอเมื่อไหร่ไม่มีปัจจัยสี่ปุ๊บว่ายากละอิดออดละข้ออ้างละเดี๋ยวไปนู่นล่ะมันเดี๋ยวขอไปห้องน้ําเดี๋ยวขอวันนี้มาสายเดี๋ยวป่วยมันไปคนละแนวไปแสดงว่าเขาเป็นคนที่ไม่ว่าง่ายจริงเจ้าค่ะยถึงว่าไม่ไม่เป็นผู้ว่าง่ายนะคือไม่ดีจักเนื้อแท้จริงๆอะนะเจ้าค่ะใช่ใเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกอย่างนี้บอกว่าบุคคลเนี่ย สการะธรรมะอยู่เคารพธรรมะอยู่นอบน้อมธรรมะอยู่นะเป็นผู้ว่าง่ายถึงความเป็นผู้ว่าง่ายนะควรจะต้องนับถืออย่างนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนขึ้นตนใจเป็นธรรมะนะธรรมะเนี่ยไม่ได้มีการแบ่งแยกว่าคุณเป็นใครหรือคุณเป็นอะไรอย่างในคําสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เริ่มประกาศคําสอนมาเนี่ยประกาศธรรมะมาเนี่ยก็ในสมัยนั้นมีอยู่แล้วตั้ง62ศาสนาคุณเืินใจเลยมีอยู่ตั้ง62ศาสนาแล้วนะ แล้วพระพุทธเจ้าจะต้องมาประกาศศาสนาที่63เหรออ้ยมันมันไม่ใช่แล้วในะแต่ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเองว่าคําสอนของพระองค์เนี่ยเป็นไปเพื่อความดับทุกข์นะไม่ได้ต้องการเรียกให้คนอื่นมารับถือไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นผู้พิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องการเพื่อให้มีบริวารไม่ต้องการเพื่อราบสการะไม่ต้องการล้มล้างละทิ้งในสิ้นไปนะแต่เพื่อดับทุกข์เพื่อดับความทุกข์สนิทเท่านั้นเองเพราะฉะนถ้าใครทําดีอยู่ในแนวของศีลสมมาาปัญญอยู่ในดี แล้วนะถ้าเธอยังทำไม่ดีเธอทำดีได้เท่ากเอาเท่านั้นแล้วจากตรงนั้นคุณทำให้ดียิ่งขึ้นเหนือัหมเพื่อเป็นไปเพื่อความดับทุกข์อย่างที่สุดได้เพราะฉะนั้นในเรื่องการแบ่งว่าพวกเธอพวกฉันนี่ไม่ควรทำคื อ, ค, อ, ค, อควรควรเลิกคิดเรื่องนี้ไปนะว่าเธอพวกนั้นฉันพวกนี้ไม่ใช่เราคนเหมือนกันกินข้าวก็ต้องกินเหมือนกันกินอิ่มได้มากที่สุดก็สองสามจานะกินอิ่มมากเกินไปคุณก็ท้องผูก ท้องผูกอาหารไม่ย่อยคุณก็ไม่มีความสุขก็ไม่มีความสุขเหมือนกันลมหายใจชั้นลมหายใจเธอเหมือนกันเวลาเธอถูกคนด่าแล้วยังจีบอยู่ไหมเหมือนกันเรามาแก้ <Okay. S 1> ปัญหนานี้เรามาแก้ปัญหนานี้นะเราจะทํำยังไงให้เราเป็นผู้ที่มีจิตเต็มไปด้วยความรักความเมตตาความเอ็นดูเกื้อกูลอย่างนั้นเพราะว่าตรงเนี้จะเป็นไปเพื่อความสุขตลอดกาลนาน <Okay. S 1> อีกไประเด็นหนึ่งในเรื่องนี้คือเรื่องของวันสุขดิบวันสุขดิบเนี่ยหมายถึงวันที่ ในวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันสําคัญอย่างอย่างพระพุทธเจ้าเองนะในคืนวันก่อนตรัสรู้ก็เป็นวันสุกดิบใช่ไหมพอตอนเช้าปุ๊บตรัสรู้ปิ้งปิงปขึ้นมาเนีเป็นวันจริงหรือว่าในวันปรินิพานคืนนั้นก็จะเรียกว่าเป็นคืนสุกดิบเป็นคืนที่สําคัญมีการเตรียมการแห่งต่างนะแล้ววันลุกขึ้นมาก็เป็นวันสําคัญขึ้นมายอย่างนี้ถูกไหมเขาจะมีวันที่เรียกวันสุกดิบวันอย่างในกรณีนี้ก็คือคริสต์มาสอีฟใช่ไหมเจ้ค่ะ ซึ่งบระเรนตรงนี้อาตมาเคยมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยพูดเอาไว้นอย่างกรณีของพระองค์เองเนี่ยตอนที่ก่อนตรัสรู้เนี่ยนะก่อนตรัสรู้เนี่ยได้พูดไว้ว่าอาหารสองมื้อเนี่ยที่ถวายก่อนการตรัสรู้แล้วก็ก่อนการปรินิพานเนี่ยเป็นอาหารที่ได้บุญมากคือหมายความว่านางวิสาขาที่ถวายอาหารมื้อก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ากับนายจุนทักษมารบุตร ที่ถวายอาหารก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเนี่ยเป็นอาหารที่ได้บุญมากที่สุดในเรื่องของอาหารนะในเรื่องของการถวายอาหารเพราะฉะนั้นสมมุติว่าคุณตื่นใจไปถวายอาหารพระแล้วพระองค์นั้นปรากฏขึ้นนั้นนั่นสมาธิหรือบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์โอ้โหจะได้บุญมากอหรือว่าคุณตื่นใจไปถวายอาหารพระอีกรูปหนึ่งพระรูปนั้นปรากฏขึ้นนั้นตายไปนะปรินิพพานไปเป็นพระอรหันต์ก็เราจะก็จะได้บุญมาก เพราฉะนั้นเราก็คิดแค่นี้เองว่าในวันสุกดิบเนี่ยแสดงว่าเป็นวันที่สําคัญในการที่จะต้องมีการเตรียมการต่างๆนาน า, น า, นาจึงเป็นเรื่องที่เราควรจะให้ความสําคัญในกรณีนี้เหมือนกันเจ้าค่ะเหมือนอย่างที่คริสตส์ศาสนิกชนทั้งหลายก็คงจะถือเอาในคืนวันนี้นะเจ้าคะก็คือประมาณเที่ยงคืนก็คือเป็นคืนวัน Christmas Eve หรือว่าวันสุกดิบก่อนเข้าเทศกาล Christmas ซึ่งก็เป็นการร่วมเฉลิมฉลอง วันประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้านะเจ้าคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มักจะได้ยินเสมอจากคริสตศาสนกชนก็คือเป็นการเฉลิมฉลองของความรักที่พระผู้เป็นเจ้ามีต่อมนุษย์โลกของเราที่ได้ว่าให้ได้ส่งพระเยซูคริสต์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะช่วยไถ่บาปนะเจ้าคะให้รอดพ้นจากการทำบาปทั้งปวงก็คงจะคล้ายๆกับที่องค์พระธรมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านได้เมตตาที่จะ ชี้แนวทางให้ภาะาสนนิกชนหรือผู้ที่ได้ปฏิบัติตามพระองค์นั้นเนี่ยได้เรียกว่าไม่ใช่พ้นทุกอย่างเดียวแต่ว่าแบบหมดไม่ต้องเวียนว่ายในวัฏสงสารนี้อีกต่อไปเทวทูตเทวทูตเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะในในเรื่องของเทวทูตนี่ยังมีอีกนิดนึงคืออันดับแรกเนี่ยก็คือคนที่ถูกลงโทษใช่ไหมอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองก็คือคนที่คนแก่คนแก่ผมหลุดหนังเหี่ยว หลังโกงต้องล้มลุกลกเงื่อนเงินคือบางคนอายุจะห้าสิบหกสิบเนี่ยนะเวลาลุกทีหนึ่งเนี่ยต้องคําหน้าค้าหลังนะมันเริ่มลุกเองไม่ได้คือความแก่หรือความอ้วนก็ไม่ใช่ปรนชาระทาระชอันที่ะชารทชาระชาระชารี่าระชาระชาระชารเด็กแดงระชาระชาระชาระาระระชาอะชาระชาระชาระชาระชาระชาระแวระชาระชาระชาระชาระชาระชาระชาระชาระชาระชาระชาระชาระตาระชระชาระชารระชาระชาาเคยเล่าให้าัะชาา มีมี ม, มีมีคนหนึ่งเขาตายไปนั้นตายไปแล้วเขาก็ไปพบโย ม, มาบาลอันนี้เป็นพุทธวจนะน ะ, ะ, ะเป็นแสดงว่าโย ม, มาบาลเนี่ยมีจริงละ่ะโดยพุทธวจนะพอไปพบย ม, มาบาลาทย ม, มาบาลก็ถามว่านาะเธอไม่ได้ดูไม่เห็นจะทําความดีมาเลยน้าไม่เห็นเทวทูตเหรออยู่บนโลกมนุษย์ อ, ะอ่ะไอคนนี้ก็บอกเทวทูตเทวทูตอะไรไม่รู้เรื่องเลยมยมบาบาทก็บอกว่าอา้าวไม่เคยเห็นคนแก่เหรอเราไม่คิดเลยว่าตัวเองเนี่ยจะต้องแก่เหมือนกันจึงต้องรีบทําความดี ไอคนนั้นที่ไปอยู่ต่อหน้าโยมประทุษบอกโอ้ไม่คิดเลยไม่เคยคิดเลยเพราะประมาทแล้วลืมแก่ว่างั้นอืมเจ้าค่ะอีก<ช>ครั้ง<ช>หนึ่งเทวะเอวมาบาลก็ถามถึงเทวทูต ท, ท, ทั้งห้านะซึ่งก็ในกรณีนี้เราพูดไปแล้วสองคือคนแก่คนถูกลงโทษใช่ไหมแล้วคนป่วยนะที่ต้องนอนจมกองมูดกองคู้ตัวเองต้องพยุงให้ลุกให้เดินไม่มีเรี่ยวแรงไม่เคยรู้หรอกคิดว่าตัวเองจะต้องเจ็บเป็นธรรมดาเคยคิดบ้างไหมว่างั้นอน ะ, ะแล้วก็เทวทูตที่สี่นั่นคือคนที่ ตายนะซากศพที่เน่าวันหนึ่งสอวันบ้างอะไรต่างๆแล้วอันที่5ก็คือเรื่องของอสมณะนะเคยเห็นไหมพระที่เปลี่ยนเผากิเลสออกจากกิเลสตัวอย่างคนทําดีทั้งหลายแหละนะทำไมไม่ทําบ้างลักษณะนี้นะเพื่อที่จะให้เราเร่งทําความดีเพราะฉะนั้นในวันสุขดิบอย่างนี้เนี่ยธรรมะที่ว่าเป็นเครื่องเตือนสติที่ดีในการที่เราจะทําจิตของเราเนี่ยให้มันหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นอกุศลซะ นะทำจิตให้บริสุทธินะ์เราก็จะไม่แบ่งแยกละว่าใครเป็นใครเพียงแต่ว่าถ้าบุคคล น, นั้นนะรู้จักทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นผู้มีศีลก็จะเป็นการดีเคยมีนายกท่ามนตรีของนิวซีแลนด์สมัยนั้นที่เขาเป็นผู้หญิงนะ <Okay. S 1> เขาเยลงหนังสือพิมพ์ว่าเขาเป็นคนไม่มีศาสนาไม่ได้นับถืออะไรซึ่งก็ <Okay. S 1> ต้องถามเาว่าเขามีศีลไหมถ้าเขามีศีลเาเป็นคนดีแล้วเราควรจะยกย่องเขาในข้อนั้น หนึ่งก่อนมาคือคำว่าศาสนาจริงๆแล้วมันมันเป็นคำสมมุติขึ้นเฉยๆคำสอนพระเจ้าคือธรรมะเท่านั้นเองมันไม่ได้ว่าจะต้องแบ่งแยกเป็นศาสนานั้นศาสนานี้ถ้าเธอมีศีลยกนิ้วให้เลยดีมากๆดีกว่าหลายๆลายล้านคนที่เขาไม่มีศีลเจ้าค่ะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณนับถือพทะเจ้ากราบพระเช้าเย็นและอยู่อย่งฆ่าสัตว์รักทรัพย์ผิดในกรรมโอ้ยไม่ได้เรื่องอย่าทำอย่างนั้นเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เรียกว่าสําหรับคนที่เอ ได้เรียนรู้หรือว่าเข้าซึ้งถึงศาสนาใดศาสนาหนึ่งของตนเองก็ตามนะเจ้าคะก็ะทุกศาสนาก็คงจะสอนให้ให้ทุกคนเป็นคนดีแล้วก็มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เช่นกันและกันแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของอภิษฎศาสนาชนของเรานั้นเนี่ยพระองค์ท่านได้ชี้ทางที่จะให้มนุษย์นั้นเนี่ยหลุดพ้นไปจากวัตสงสารนี้จริงๆคือดับทุกข์คือดับสวนไปจริงๆใช่ไหมเจ้าคะ บา ร, ม, บรมสุขคือไม่มีความทุกข์เลย อ, อยู่ละใช่เจ้าค่ะ <ừ> แล้วก็ไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใช่ใชคือหมดทุกกันจริงๆนะเจ้าค่ ะ, ะออืก็เราก็ปฏิบัติไปนั่นแหละทําให้ดียิ่งๆขึ้นไปทําอยู่ตรงไห น, นแล้วก็ค่อยๆทําไปเราก็ไม่ได้แบ่งแยกว่าจะต้องพวกนั้นพวกนี้อย่างนี้นะเจ้าค่ะจ้ะค่ะท่าพผูฟังคะ รายการธรรมารบปรุณในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ที่24ธันวาคม2554นะค ะ, ะเดี๋ยวฉันได้เรียนสนทนาหรือว่าสากักชากับพระอาจารย์ไพบุณอภิปุโนพระอาจารย์ของเรานะคะในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับวันซึ่งวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันคริสต์มาสอีฟหรือว่าเป็นวันที่จะคืนสุข ด, ดิบของการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้านะคะซึ่งบรรดาพี่น้อง คริสา ส, สนาชนทุกท่านก็คงจะได้เดินทางไปโบสถ์กันในค่ำคืนวันนี้แม้ว่าจะไม่ได้ศาสนาเดียวกันแต่ก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านก็ทางพระอาจารย์ไปบุญอภิปุโนเองก็คงจะมีความเมตตาที่จ ะ, ะแผ่เมตตานะเจ้าคะให้ทุกๆคนที่เป็นประชาชนชาวไทยเรานั้นเนี่ยมีความสุขในทุกๆวันใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์มีอะไรที่จะเพิ่มเติอมอีกสักเล็กน้อยไหมเจ้าคะทางนี้เจ้าค่ะยินดีเจ้าค่ะ คือเราแค่มีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันมีความรักความเมตตาให้กับเพื่อนมนุษย์ทุกคนนะแผ่ไปยังโลกถึงโลกที่สุดทั้งปวงนะโดยที่ไม่แบ่งแยกว่าเป็นใครเป็นเขามีตัวตนไม่มีตัวตนนะจับต้องได้จับต้องไม่ได้เห็นหรือไม่เห็นก็ให้เขามีความสุขความเจริญสาธุเจ้าค่ะเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะสําสหรับรายการธรรมารับอรุณในเช้าวันเสาร์นี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องอําลาจากกันแล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังตามกลับมารับฟัง รายการธรรมรับรุณในช่วงของการสักชาหรือสนทนาธรรมะระหว่างท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโกับตัวท่านเองในวันพรุ่งนี้กันอีกนะคะในช่วงเทศกาลขณะนี้ก็คือเข้าช่วงของคริสต์มาสเฉลิมฉลองกันสำหรับคริสต์ศาสนิกชนแล้วก็เข้าสู่บรรยากาศของวันปีใหม่ด้วยดังนั้นในเช้าวันในเพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่25 ธันวาคมถือเป็นวันคริสต์มาสเต็มตัวแล้วก็ใกล้วันปีใหม่ของเราไปเต็มดีแล้วก็จะนําเรื่องเกี่ยวกับการส่งความสุขมาเสนอผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแตตีหถึงตีห้าครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะคะสําหรับเช้าวันนี้เราก็มากราบนมัสการลาและกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลอภิปุนโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองห า, จากกนจังหวัดอุดรธานีพร้อมกันนะคะ กราบนมัสการและกราบขอบคุณเป็นอย่างสงาาูงเจ้า่ะพระอาจารย์เจ้าขะอาจารย์เรียนผ่านสาธุเจ้าค่ะ